เราก็มาถึงบ้านห้วยซ้านนะก็พักที่ที่พักสงฆ์ชาวบ้านก็บอกว่าที่นี่เป็นมีมีเจดีเก่าอายุร่วมสองร้อยปีได้นะก็เป็นโบราณสถานที่แสดงว่าตรงนี้ก็พุทธศาสนาก็เคยเจริญรุ่งเรืองนะน มานานลวแต่ตอนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาคริสตนะ์มันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะเหมือนเราไปอินเดียนี่นนะไปอินเดียก็เห็นโบราณสถานของพุทธศาสนาหนละายแห่งแต่ก็เป็นชาว ฮินดูบ้างเป็นชาวมุสลิมบ้างนะดูแลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ ร, บรอบๆตรงนั้นที่จริงอย่างเมืองพุทธเรามนประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันนะมันก็สลับกันนะบางทีก็ั้แต่โบราณก็นับถือผีนะตอนหลังก็แบบฮินดูเข้ามานะตาม อ, อาณาธธรรมของขอมนะี่ก็มีปราสาทนะหลายแห่งในเขตภาคอีสานหรือแม้แต่ลาไปถึงภาคกลางภาคตะวันตกก็มีนะก็ตามอาณาจักรที่ขยายไปได้หรือว่าตามความเชื่อของคนที่ที่นานำเอาตามรลัที่ความเชื่อของเขาไปสร้างในที่ต่างๆนะ เปลี่ยนยกเปลี่ยนสมัยเป็นพุทธแบบมหายานบ้างพุทธแบบเทราวาสบ้างแบบพานบ้างนะในเมืองไทยของเราต่อไปจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะแต่อันนั้นมาว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุเนาะพอเรามีความเชื่ออะไรเราก็สร้างวัตถุนั้นเพื่อเพื่อความเคารพนะเพื่อให้เกิดความศรัทธาหรือว่าเพื่อเป็นปัญญลักษณ์ให้คน ให้คนรุ่นหลังได้ได้กราบไหว้หรือได้รู้ว่าที่ตรงนี้เคยเป็นแบบไหนมานั้นก็ดีนะเป็นสิ่งที่มันก็เป็นหลักฐานเป็นวัตถุที่ยืนยันไว้แต่ถ้าเราดูจริงๆตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าเองท่านคงไม่ได้เน้นเรื่องที่เป็นศาสนสถานที่เป็นตัววัตถุมากมายนะ ท่านเน้นตัวที่ศาสนาธรรมแล้วก็ตัวศาสนาบุคคลนะท่านเน้นคำสอนที่นะที่ตรงตรงไปสู่ความพ้นออกจากความทุกข์ท่านสอนนะในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันก็เพื่อมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นนะ ตามสติปัญญาที่แต่ละคนจะสามารถไปได้เนาะแต่ท่านสอนก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยให้อย่างน้อยคนที่ยังไม่มีศีลไม่มีศีลก็คือกายวาจายัางยังทุจริตเนี่ยยังผิดอยู่นะยังไม่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้คือไม่มีศีลหรือบางทีก็รู้แล้วแต่ ยับยังชั่งใจไม่ได้อะก็เรียกว่าไม่มีศีลเนานะนะก็ทําตัวเองให้มีศีลขึ้นมานะยังไม่มีศรัทธาก็ทําตัวเองให้มีศรัทธายังตันีทีเหนียวก็ทําตัวเองให้มีความจ่าฆาเสียสระบ้างนะยังไม่มีสมาธินะจิตฟุ้งซ่านนะจิตบอกแบกบนะ ไม่มีเครื่องอยู่ก็ฝึกให้มีกรรมฐานสักอย่างนะึงเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะจิตเราถ้ามันไม่มีเครื่องอยู่นะมันก็จะสอดใส่ไปที่อื่นนะะสอดใสยไปที่อื่นคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่ของจิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ มันก็จะทำให้เราอยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือพอเวลาจิตมันหลงไปนะมันก็จะเกิดความรู้ตัวได้เร็วนะทติก็จะเกิดขึ้นได้ได้เร็วขึ้นอันนี้คือคนส่วนใหญ่แต่แต่คนสมัยโบราณนะก่อนมีพระเจ้าก็ทำสมาธิเพียงเพื่อคิดว่าทำให้จิตสงบทำอย่างไรให้จิตสงบนะ อยู่แต่ไปอยู่ในเครื่องอยู่นะ ม, มีสมาธิแต่เข้าไปอยู่ในสมาธนะิคิดว่าถ้าสงบเงียบนะสุขสบายแล้วเดี๋ยวปัญญาจะเข้ามาเองนะคนแต่ก่อนก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านต่อยอดให้นะนะท่านก็ไม่ได้ว่าปฏิเสธ สมาธิแบบเดิมทั้งหมดนะแต่ท่านต่อยอดให้ถ้าใครที่ทําสมาธิแบบสงบนะได้นะท่านก็ต่อยอดให้พิจารณานะเช่นพิจารณาร่างกายนะเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่มันเป็นทุกข์เป็นของที่มันบังคับมันช้างไม่ไดนะ้ให้เห็นลงไปในแใจรักษ์ของร่างกายนะต่อไปมันก็จะค่อยๆเห็น แต่รักที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจของของแต่ละคนเองด้วยอันนี้คือท่านก็ต่อยอดให้กับพวกที่มีสมาธินะมีสมาธิดีๆก็ถ้าพิจารณาตัวนี้ต่อนะมันก็จะเดินทางต่อไปได้นะส่วนบางคนไม่เดินแบบนั้นนะเน้นการที่เอาสติเป็นตัวรู้นะตัวดูตัวเห็น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกายกับใจบางทีสมาธิไม่มากนะเพียงเพียงแค่สมาธิเพียงแค่ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะก็พอนะอ่มีสมาธิอยู่กับตัวสักระยะหนึ่งนะจิตก็เผลอไปอีกแล้วนะก็รู้ทันจิตที่เผลอไปนะบางทีก็รู้กายบ้างบางทีก็รู้จิตบ้างนะก็แล้วแต่มันแต่ก็ เอาตัวสติเป็นตัวนำํำนะสติคอยรู้คอยดูไปเนะี่ยมันก็จะทําให้เห็นไตรักษได้เหมือนกันนะค่อยๆแยกไปเนี่ยแย ก, ยนะแยกรูปแยกนามออกไปได้อันนี้คือเป็นวิธีการทําให้จิตมีเครื่องอยู่นะจิตมีเครื่องอยู่มีสองแบบอยู่แบบนิ่งนิ่งสงบนะแล้วค่อยเจริญปัญญาโดยการพิจารณาก็ได้หรือว่าจะ มีเครื่องอยู่เป็นเพียงแค่ช่วงขณะหนึ่งคอยได้รู้เวลาเวลามันไหลออกไปนะจากเครื่องอยู่นั้นนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเน้นเรื่องการเจริญสติเป็นหลักนะนะคนที่ไม่มีสมาธินะ่ะจิตก็จะล่องลอยไปเรื่อยนะนะล่องลอยเป็นเกิดเป็นพบน้อยต่างๆเยอะแยะมากมายนะนะเมื่อเกิดสมาธิแล้วก็ นี่ย จ, จ, จ, จะจะเจริญปัญญาเห็นความจริงของลูกของนาม น, นี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนนะเน้นที่ศาสนาธรรมศาสนาธรรมก็เน้นที่การกระทาของเราเนี่แหล ะ, ะให้เราได้ทำความเพียรกั น, นสมัยก่อ น, นพระเจ้าก็บอกเ น, นี่ยนุ่นคนไม้นุ่นเรือนว่างนุนนน่นทำนุ่น ท, ที่สงบสงัดนะพวกเธอจงพากันไปปฏิบัติในที่นั้นๆเถิดนะที่จริงสมัยก่อนนะฟังธรรมไม่ได้มากนะนะบางคนมาฟังธรรมเมื่อเจ้าเนะ่ะครั้งหนึ่งน่งนะบางคนก็บรรลุธรรมเลยบางคนก็ยังไม่บรรลุธรรมแต่ก็เอาไปทํานะเอาธรรมต่อออกพรรษาหรือว่ามีโอกาสก็พระเจ้าเดินผ่านมาหรือว่า เดินทางไปหาพระพุทธเจ้าก็ค่อยไปฟังทำต่อนะค่อยไปถามปัญหาสภาวะทำต่อนะเขาสมัยก่อนนะเขาฟังทำน้อยนะแต่เขาจับหลักเอาไปปฏิบัติให้มันได้นะพอจับหลักปฏิบัติให้ได้แล้วก็เอาไปทําให้มันเยอะๆนะมันก็เกิดความเข้าใจได้เองนะนะ การฟังธรรมก็เป็นส่วนประกอบนะแต่การการเอาไปกระทำให้เยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลของเรานะอืมทำไมก่อนครูบาอาจารย์ท่านเดินทุ ด, ดงนะท่านก็ขณะที่เดินนะนะก็เป็นวิธีฝึกสติสมาธิอยู่ในตัวนะแต่มันก็ไม่ใช่แต่ละวันก็ไม่ใี่สุด แค่ว่าเราเดินไปถึงไหนพักที่ไหนเท่านั้นนะเพราะที่จริงก็ยังเหลืออีกอาจจะมากกว่าการเดินด้วยซ้ำก็คือว่าตอนที่เราพักนะไม่ว่าจะพักกลางวันไม่ว่าจะพักตอนเย็นตอนกลางคืนก็เป็นช่วงของการภาวนาเหมือนกันนะสำคัญนะอย่างสมัยก่อนท่านทุดงอาจจะเดินไปลูกเดียวหรือเดินไปเป็นหมู่เล็ก ๆ, ๆนะ เดินแล้วก็พยายามไปหาที่ที่วิเวกนะที่ส่วนตัวนะเพื่อทําสมาธิเพื่อฝึกสติของท่านเองนะอยู่เงียบเงียบอยู่นิ่งๆๆน่ะอยู่คนเดียวคือจะเรียกว่าตอนเดินก็พยายามฝึกตนนะตอนที่ไม่ได้เดินเองก็พยายามฝึกตนน ะ, นะพวกเราเองก็ ต้องดูนักตอนเดินนะเราก็เดินอย่างนะเรียกว่าพยายามเดินอย่างมีสตินะเดินอย่างรู้ตัวนะแต่ขณะที่ไม่ได้เดินไม่ได้พักเองเราก็ต้องพยายามมีสติเหมือนกันนะพยายามไม่เหนื่อยเกินไปแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมของเรานะนะถ้าเหนื่อยเกินไปก็นอนพัก นะ น, นั่นก็เป็นมันเป็นการพักทั้งกายพักทั้งใจเนาะนะถ้าร่างกายเหนื่อยเราก็ต้องพักกายนะแต่ถ้าร่างกายพอไหวเราก็ฝึกนะให้ใจมีเครื่องพักนะในใจของเราให้ไดนะ้มันก็จะได้เป็นสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์อย่างมากคนระูบาอาจารย์ท่านเดินต้นดงก็เพื่อตรงนี้นะนะเดินเพื่อ คล้ายๆได้มีเวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆนะเกี่ยวข้องกับกิจอย่างอื่นมันน้อยลงนะเพราะว่าบางทีอยู่วัดเนาะใกล้หมู่บ้านใกล้ชุมชนก็มีกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านบ้าง น, นะศาสตรนทิิพิธีกรรมต่างๆนะหรือว่างานการในหมู่คณะของชุมชน หรือหมู่คณะของสังฆะเองก็มีใช่ไหมบางวัดก่อสร้างนะบางวัดมีกิจกรรมนะแต่พอออกมาทดลดงเนี่ยนะเรื่องงานก่อสร้างเรื่องกิจกรรมต่างๆนะเราวางลงไปนะเราก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นตัวนี้แหละอีกส่วนหนึ่งพอมันเจอภัตตะกระทบใหม่ๆนะนะเจอที่แปลก เจอที่เปลีปลยวเนี่ยเจอคนที่ไม่รู้จักนะเนี่ยบางทีจิตเราก็อาจจะคิดจิตอาจจะหวาดตะแวงจิตอาจจะกลัวเนยหรือจิตอาจจะรู้สึกอตรงนี้มันคุ้นเคยมันน่าอยู่ในนี้ก็ก็แล้วแต่นะก็ก็ให้เราดูเนี่ยดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าพึ่งไปเชื่อหรือไม่เชื่อ แค่รู้มันเฉยๆว่าเป็นแบบนี้นะอย่าเพึ่งไปจริงจังกับมันนะนะบางทีความคิดความรู้สึกเนี่ยนะจะเชื่อนะก็หลงไม่เชื่อก็หลงนะนะก็แค่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นนะนะแต่บางทีถ้าเราไปเชื่อเป็นจริงเป็นจังนะนะหรือว่าปฏิเสธเลยมันก็มันก็คือความหลงเท่านั้นนะนะ ดีเราก็ต้องก็แค่รู้นะแค่รู้สึกนะว่างเป็นแบบนี้นะจริงไม่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะแต่ีจริงถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรนะมันก็แค่เพียงแค่รู้รู้เพื่อผ่านนะรู้เพื่อผ่านนะนะจะเกิดความรู้สึกอย่างไรเกิดความคิดอย่างไรก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ทำให้เราได้เกิดความรู้ รู้แล้วก็ผ่านเขาไปรู้แล้วก็ผ่านเขาไปเราจะเห็นเลยว่าอืมมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความคิดเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับนะอารมณ์เกิดแล้วก็ดับนะไม่มีอะไรนะเป็นจริงเป็นจังได้เลยนะดังนั้นเราก็ต้องดูมันแบบนี้แหลนะนะพยายามสำรวม กายสำรวมวาจานะให้ให้มากๆนะแล้วเราจะเห็นอาการภายในภายในกายภายในใจได้ชัดขึ้นนะถ้าเราสำรวมน้อยนะจิตมันก็จะฟุ้งออกไปที่อื่นนะไปสนใจเรื่องนอกตัวไปอยากรู้เรื่องนอกตัวนะนะมันรู้โดยเป็นความรู้นะมันก็เป็นความจำที่ก็ เดยวก็ลืมนะรู้บ้างก็ได้แต่ก็อย่าไปสอดรู้สอดเห็นอะไรมันมากแต่ถ้าเป็นความรู้ภายในกายภายในใจเนี่ยมันรู้แล้วมันบางทีมันก็ลืมนะแต่มันก็เปลี่ยนแปลงนะมันเป็นการรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะมันไม่จําดอกว่าวเมื่อวานมีอารมณ์อะไรบ้างมันเกิดอะไรก็ช้มหัวมันนะ ถ้ามันไม่สำคัญมันก็ไม่จำหรอกนะแต่มันรู้ต้องมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะเปลี่ยนแปลงจิตใจได้นะเป็นความรู้ที่ที่สำคัญมากกว่านะนะก็ให้เราพยายามนะฝึกฝนแล้วก็ศึกษาตรงนีนะ้ให้มากๆนะก็จะได้เป็นประโยชน์ในการเดินทุ ด, ดงของเรานะมากที่สุดนะโอกาสนี้ก็ เป็นโอกาสที่ดีก็ให้พวกเราได้พออยายามฝึกฝนตนเองนะนก็ฝากกัน